พวกไรเล่าไม่สาเร็จจงวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสัตว์ที่เกิดในกำเนิดเดรฉ า, านคือกินนอนและนาคเป็นต้นถึงมากว่าจะปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติให้ดีประการใดๆธรรมาพิสมโยอันว่าธรรมาพิสมัยมรรคผลนี้จะบังเกิดแกเดรฉานนั้น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 ก็มีอาจสมร็จธรรมาภิสมัยมรรคผลประการหนึ่งบุคคลกระทาปัญจานันติยกรรมหประการคือมาตุคาตปิตุคาตอรหันตะคาตสังฆเภศและโลหิตุ ป, ประบาทสิริเป็นห้าประการและบุคคลทุศีลไธยสังวาสนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดปลอมอยู่กับภิกษุสมเนนนั้นก็ดีและบุคคลที่บวชเป็นภิกษุแล้ว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 มานะทิฏฐิมิได้มีกำหนัดในราคะดำริษนามิได้มีกามวิตกมิได้เจือด้วยกิเลสเหตุฉะไหนจึงมิได้สำเร็จธรรมาภิสมัยมัดผลพระนาค เ, เสน จ, จึงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบวพิธพระราชสมภารกุมารมีอายุต่ำกว่าเจ็ดขวบประกอบด้วยราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ รู้ว่าสิ่งนี้บุญแล้วกุมานนั้นจะได้มรรคผลประการหนึ่งถ้ารกมีอายุต่ำกว่าเจ็ดขวบกระทําจิตปราศจากอากุศลได้เหมือนผู้ใหญ่นั้นก็จะสาเร็จมรรคและผลอาจได้ซึ่งนิพพานธาตนีสิเป็นกุมานอายุต่ำสติปัญญาอ่อนนักถึงจะปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัตินั้นมิอาจจะได้ซึ่งธรรมาพิสมัยมรรคผล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 พันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเหตุว่าเขาพระสุเมนใหญ่พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารประการนี้ยะถามีอุปมาฉันใดกุมานั้นเป็นเด็กสติปัญญาอ่อนมิอาจสำเร็จธรรมาภิสมัยมากผล ดุดบุคคลที่มีกำลังเป็นปกติมิอาจยกเขาพระสุเมรุราชอันใหญ่ขึ้นได้ฉะนั้นถ้ามิเช่นั้นดุดบุรุษผู้หนึ่งนำมาซึ่งอุทะกังประมาณหยาดหนึ่งมาสลัดลงในมหาปัตถพีอันกว้างใหญ่อันว่ามหาปัตถพีอันใหญ่นั้นจะชุ่มชื่นเปียกไปด้วยหยาดอุทะกังหยาดเดียวนั้นหรือบอบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในปัตถพี